ในขณะที่สุชาวดีกําลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งอุปการ์กำลังตะบนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพลากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันบุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกกันไปคนละอย่างเท่านั้น รุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้าในพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคือนนี้ลูกพ่อจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังลูกคิดว่าสุชาวดีพูดอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดสิ ว, ว่าแลแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดทุนี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่ง น, น้ำตาซึ่งเพิ่งจะ เกือแห้งไปเมื่อใกล้ลุ่งนี่เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกกรับในพรานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ซาหระกรรมเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกาคงทําให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงแก่เร็ว เมื่อเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกะดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อในพรานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนึกบวชเสียอุปกะสละเพศนักพรตมึ่งห่มผ้าอย่างคลือหัดทั่วไปแล้วติดตามในพลานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเ อ, อิบชื่นบาน เขาได้อยู่กินกับสุชาดาฉันสามีพัญญาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันไม้นาน า, นาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีที่สาวที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชม ช, มชอบรักใคร่สเสน่หาในสามีพัญญาด้วยความจริงใจเขาจะทำดีด้วยหรือชอร่ออ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่าง ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณว่าท่านได้เป็นพัญญาของคนใหญ่คนโตเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไรรั์อัปยศและยังชราเข้าอีกจะสำรรายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือไหนจึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชรา ให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่เยาว์วัยและไรเดียงสาต่อโลกเพียงนั้น ปพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้ดอกนั้นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดสบัดแต่ อุปกาพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีทั้งอ่อนด้วยหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆพูดยืดยาวน่ารำคาญซสจริงเขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเส้นหน่อยก็มาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ อุปการรู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่ามสามีพัญญานั้นนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกตอบประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอแต่จะรักหรือไม่รัก จะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีพัญยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุพัทธะเด็กน้อยคราใดาที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอจะหน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุพัทก็ช่างดีแท้ หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมสองปีที่อยู่ด้วยกันมา อุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากพัญยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเฮกลมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวรบมแต่เขาก็อดทนทนกับความรักลูกและพัญยา สุพัทะเจ้าเอยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาสงาและลาสีเหมือนกาโกก า, กากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรังฉลาพาดขาดพลังกําลังก็ย่อนยานอีกธนสารสมบัติก็ไม่มีที่ติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและผัวพันก็แลไม่เห็นผู้ใดเออเจาลูกคนหาบเนื้อ เจ้าจะทำชะไหนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อเอ่ยนอนเสื้อเถิดคำเห่กล่อมลูกตามนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิดคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือกระดุดเทพเจ้าคำน้อย ไม่เคยมีใครกล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเยียดยา้กล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพสมบัติแม้จะทำงานสายตัวแทบขาดเพื่อลูกและพันยาแต่เธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่อุปการคิดถึงเพื่อน เขาไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้คิดทบทวนอยู่เป็นเวลานา น, านในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสงาราสีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปารพบกับตัวเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักไม่ปฏิเสธคำขอร้องของผู้ตกยาก บากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบุรพภูพปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกจากใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่ที่จะจากหมู่บ้านพราเนื้อไปไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงคู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับ ใจของเขายิ่งหนักเขาชื่ออนันตชินในขณะนั้นแรงเราแห่งความรักลูกพุดพพุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอาลัยในลูกมีมากพอที่ช่วยนวงเหนียวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะรู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเราให้คิดถึงพระอนันตชนอย่างแรงคืนนั้นเองอุปกาได้จัดแจงหอของเท่าที่เป็นของตนและพอพาติดตัวไปได้เตรียมตัวออกจากวังกะหารชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยไม่ได้ปุตตะวิปโยคเป็นความเศร้าย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดา แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกะหานขามตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรรูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมาแต่ความระอาใจต่อสุชาวดี ทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตำบลใด ผู้ที่เคยบำเพ็ญพศมานานเป็นผู้สลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สังสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้มเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไป ตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานานเขาเดินฝาความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่งอรุณก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโดง เขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าว หลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโซมกายแล้วเขาแวะคบพักณนะใต้ล่มพฤกษ์ใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายพอชุ่มชื่นเขาเอ็นตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลัง เขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลาสองปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาลำบากชอกช้ำสุดประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบัณดิตได้กล่าวไว้ก็แจมแจ้งแก่เขาประดุดคบเพลิงสว่างโรคขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้ มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้ไวมากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีพันยารูปงามคือศัตรูมิที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุดยาพิษเพราะมิได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเหมือนยาพิษเพราะไม่ย่อย พระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจปัญญาสาวก็เปรียบเหมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อน สามีชาราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของพันยาสาวสามีเกสางอกความรักของหญิงสาวผู้พันยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุดยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัต ความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเท่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารสุดโทมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังมีวายกระเสือกระสนเหมือนสุนัขถึงฟันหักเยี้ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะถึงได้ถึงกระนั้นก็ยังขอให้ได้ เลียก็ยางดีไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีบรุษจะชักชวนให้ไข้เขวนารีบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากเหตุที่สตรีจะทนเป็นพรหมจรรีอยู่ได้มิใช่จะเป็นเพราะรู้สึกละอายมิจริยสมบัติเกลียดการหยาบคายหรือมีใจเกรงขามที่แท้เป็นเพราะยังไม่มีผู้ปรารถนาย่างเดียวเท่านั้น สตรีบางคนทําเป็นห่วงตัวอย่างหน้ามันไส้เหมือนใครจะกระทบกระแทกไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่พออยู่ในที่รับตาคนเธอกลับโถมเข้าหาผู้ชายเหมือนปลากระโดดลงน้ําบัดนี้เขาตัดสินใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชินเขารอนแรมมาตามลําพัง จนกระทั่งถึงเท ส, สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุศการวันนั้นพระอนันตชนิสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระยานออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้อุปกะเข้าไปในขายพระยานแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่า เช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันทกุดีรับสั่งให้ประชุมสง์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอคันตุกะมาถามหาบุคคลมีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันทักุดีตรัสเท่านี้แล้วทรงให้โอวาาภิกษุสง์เป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันฐานมีอธิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงมีความเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอคันตุกะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงตนอยู่ใกล้พระนิพพาน ตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรมบ้างทํากิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งน้ำมสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าพูดเจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชิน เขาเป็นนักพรตที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าเ อ, อิบอิ่มมีแววแห่งความการุณาฉายออกจากดวงตาทั้งสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี่ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วยิ้มยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดา ก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสก พ, พระอนันตชินเป็นาศาสดาแห่ง เ, เราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉันไหนเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามา จะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วได้ลุกเดินนำอุปกาไปถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งพระรัศมีสร้างออกจากพระกายทั้งหกสีดุดเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตราสรู้ใหม่ๆอุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทแห่งพระศาสดามีน้ำตานองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือพระเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่ง แขวงเมืองพราราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่ อ, อุปกะพระศาสดาตรัสตอบเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปิติปราโมทก็แผ่ไปทั่วสระพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้ จะไพร้ะ อ, อ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนอย่างแม่นยำหลังจากพลากจากกันไปเป็นเวลานา น, านอุปกะพระองค์ตรัดต่อไปหลังจากจากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเพศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไป อุปกะได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินทางหลงอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพูดเท่านั้น แล้วเขาก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระศาสดาพระจอมุนีศีศักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกาการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกาเอย๋ยเครื่องจองจำที่ทำด้เชือกเหล็ก หรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจําที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจําคือบุตรพัญญาทรัพย์สมบัตินี่และึรรัฐมัดผูกสัตว์ทั้งหลายที่ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนยอนแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรพัญญาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและผลทพะนั้น เป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโลกไม่ได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดเริงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่ออุปกาผู้ยังตัดอะไรในสตรีไม่ได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคุุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใด ดู้ก่อนอุปกาเราจะขอสาทกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมนุษย์หนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลปวิทยาณสำนักทิสา ป, ปามกเมืองตะกศิลาเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียิ่งผู้สนทนากันไปมารดาถามว่า ลูกได้เรียนอาสาตมุลแล้วหรือลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียนมารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาสาตมนเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนสําคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายังมิได้เรียนจากอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาสาตะมนอาจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนักจึงกล่าวว่า มานบเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชราของเราเธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตะมนให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ําป้อนข้าวให้และนวดฟันให้เจ้าจงชมเชยอวัยวะต่างๆ แห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าวสวยเป็นต้นมานพหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปิติยินดีตั้งแต่วันนั้นมา เขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ําให้ป้อนข้าวและนวดฟันเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทําตามที่อาจารย์สอนนางยิ้มอย่างร่าเรงิงทั้งทั้งที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่นหนุ่มฉันแก่แล้วนะ คุณแม่แก่แล้วมือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่สาวๆคงจะสวยไม่ใช่น้อยขาและเท้าของคุณแม่ก็สวยใบหน้าก็งามซึ้งหน้าดูเหลือเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้นางรู้สึกปิติยินดีอย่างล้นเหลือเป็นเวลานานมาแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคาอ่อนหวาน กระรื่นหูชูกําลังใจอย่างนี้เลยอะไรเล่าจะเป็นที่พอใจของสตรีมากเท่าได้ยินคําชมว่าเธอสวยไม่ว่าสตรีนั้นจะอยู่ในวัยใดมานพหนุ่มเวียนพูดชมเชยนางผู้เป็นมารดาของอาจารย์อยู่อย่างนี้ทุกวันบางคราวเขายังพูดเพิ่มเติมว่าถ้าเขาได้พัญญาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนาง เขาก็จะมีความสุขหาน้อยไหมและทาทีเป็นมีความรู้สึกสเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่าหนุ่มน้อยนี้คงมีจิตพิสวาาปฏิพัทธ์ในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าพ่อหนุ่มเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากเหลือเกินคุณแม่ กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผมถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปีและกระผมปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึงร้อยปี กับผมก็จะไม่เบื่อหน่ายเลยหญิงชราเข้าใจว่ามานบหนุ่มมีจิตปฏิพัทธ์ในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นรายปลายเจ้าหนุ่ม เมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรม์กับเราเราก็ยินดีจะทําได้อย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์กระผมต้องเคารพยงเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์ซีอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมจะทําอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้ว มานุบหนุ่มก็แกล้งเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานบตอบถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชายเธอข่าเขาเสียก็หมดเรื่อง กระผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์ให้กระผมและดีต่อกระผมเหลือเกินกระผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานกยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบถ้ากระนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้รอคิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถิดครับคุณแม่พูดแล้วชายหนุ่มก็ออกจากห้องของหญิงชราไปหาอาจารย์เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆ ต, ตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการเรียน และเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนสิทธิ์เรื่องอาสาตมลชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชาราแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไรอาจารย์ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะระยะตลอดมา เมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกรู้สึกสลดใจเล็กน้อยแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่องอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงวางเฉยได้ในไม่ช้าและตรวจดูอายุไขแห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้วถึงเหตุการณ์ปกติ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนสิทธิ์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตมนต์จึงบอกชายหนุ่มให้ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์อาผ้าคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวมาสู่ห้องของตน ทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดฟันปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพ่อหนุ่มหญิงชราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเอง คุณแม่จะฆ่าจริงๆหรือชายหนุ่มถามแล้วแสซงคลเคลียแสดงความรักในหญิงชราให้มากขึ้นด้วยความเคลืคล่อมและหลงไหลหญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วนี่ขวานเขากล่าวคุณแม่เดินไปตามเส้นเชือกที่ขึงไวน้นี้ปลายเชือกไปสุดลงที่ใด ที่นั่นเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้อาจารย์นอนหลับแล้วพอสุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดหนึ่งจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชราในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดินไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เท่า รับขวานจากชายหนุ่มแล้วงกงันเดินคลาเส้นเชือกไปใจของเธอเวลานี้ถูกคอหุ้มด้วยโมหะถูกความสเสน่หาเร่งเรา้าปลงใจฆ่าแมแต่ลูกของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการ เมื่อเดินคลาเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลาดูบนเตียงมองเห็นร่างๆเหมือนภาพคนจึงจามขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังโผนางรู้ตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบ ก, กับชรามาก ถึงแล้วซึ่งอายุไขนางจึงสิ้นใจตายอยู่ณนะที่นั้นเองอาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆร่างของหญิงชลาอยู่เป็นเวลานาน ในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นมานพเธอได้เรียนอาสาตะมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มสุดตัวลงกราบอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้พร่มล้ำพันถึงเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของเขาหย ด, ดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของเขาสับสนวุ่นวาย จนไม่อาจพานนาได้ว่าเป็นชั้นใดนี่เองอาาตมลที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือลน้น พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าเรื่องอาสาตามนลจบลงแล้วทรงเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากปัญหาอุปทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตน ที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ลหลงไหลผัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างต่าง ปลอดโปรงแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปกะรเธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่ามีสติอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกคลายกองบนไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวาง และการสํารวมตนอยู่ในธรรมอุปการสงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ร้อยรัดใจออกไปเป็นเปราะๆได้บรรลุอนาคามีผลเป็นอริยบุคคลชั้นที่สามด้วยประการชนนี้